และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตรานันวันดามิามังหามาธเรนาตาาารนังท่าใเจ้าไหวพระนันโดยใจเ่ารคเอื้อเพื่อสัโสุเขตาปยาติเขตาสั ญ, ญิตโต พระสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยดีได้สันโดสุขตานุโคทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานได้สรู้ดังพระสุโคตมุไดโลละปาหิโนอริโยสุเมทะโส เป็นโูละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามีธรรมกงอาหามาธาเรณตางังอาบจาวัยประสงค์มุ น, นันโดยใจคารบเอื้อเฟือ้ออิเจวะเมกันตาพิปูชนายกกัง วัดุดยังวันทยตาพิสังขดังปุณยังมายาอย่างมามาสาปุปตะวามาหุนตุเวตาสาปพาวสิธิยา บุญใดที่ข้าพเจ้าพู้าอาู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรายอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ อุปาทาวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยควย า, มน า, นามสำเร็จอันเกิดจากบุญาทานนิตาตาธาคาโตโลกเกอุปนโนพระตาธาโคเช้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาราหังสัมมาสัมพุทธโธ เป็นพวกไรจากกิเลสได้สรู้ชอบได้โดยพระอเองธรรมยจาเทสิโตนิยานิโกและระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาสามิโกปา ร, ริณิพานิโกเป็นเครื่องสงบกกิเลส เพื่อปรินิพานสมบพรคามิสุขะตะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรูร้พร้อมเป็นธรรมทีม่พระสุคบประกาศมายันดังธรรมังสุตวาเหวังชนะมา ว่าเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขหาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขหาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มาระน้ำปีตุขหาแม้ความตายก็เป็นทุกข์ โศกะปริเทวาทุกขโทมนาสุปายาซาปิทุกขาแม้ความโศกความเลิศไหลลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความข้าวแกนใจก็เป็นทุกข อาปิเยหิสัมปโยโคทุ โ, ค, โคไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ พิเยหิวิปโยะโคตุโคความพระประกาศสิ่งเป็นที่รักีพอใจก็เป็นทุกข์ยำบิชัมนาลปติิทำปีทุกขงมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกีเทนะปันจุปารานาขันดาทุกขา ว่าโดยโดยอบุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกษัยที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโยบุปาทา น, น, ทานอันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมันคือรู เวทนูปารดาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือเวทนาสัญญุบารดาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือ การูปาทานนาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานนาคันโทเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือวิญญาณเยสังบาลญายาเพื่อให้สาวกกรรมนอโรภูปาทานขันเหล่านี้ โซภะวะวะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระรังสาวเกวิเนตีทรงแนะนำสาวกทั้งลายส่วนเป็นส่วนมาก เอวังพาคายจ่าปนัสสะภะคะวะโดยสาวเกสุอนุสาสนิหุระปวัตตาทีอานหนึ่งคำสั่งสอนของพระพู้มีพระพาเจ้านั้นยอมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย อนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เทียมทนาอนัตตาเวทนาไม่เทียม สัญญาอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนัตตาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน <c oughs> นาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจะเพป็นผู้ถูกข้มงมแล้วชาติเอหิ <c oughs> ความสุขร่ำรไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจทั้งหลายดุขโคทินาเป็นภูความทุกข์ยางเอาแล้วทุกขะเรตตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อมเบว่นามีิมาสาเกวะราสาทุขักไดา้สาฮันตากิริยปัญญเยทาตีทําที่การทําที่สุดแห่งกองลูกทั้งสิ้นนี้อย่าพึงบราโกชาติแก่เราได้ เยระปารินิพุตตามปิทังภะควันตามสุวิสาระอังสมาสัมพุทัมเราทั้ลายผู้ที่ชาวโพธิ์ผู้มีบาบาเจ้าปารินิพพานแล้วพระองค์นั้น อัตอาคาราสมม า, านาคาริยปภพชิตาเป็นภูมีออกตาออกบัวจะาเรือนไม่เกี่ยวความโดยเรือนเร็วตัสมิงภาควติปรมาจาริยจารามาปราพิติอยู่ซึ่งพรหมจาร ในพระผู้มีพระปาคเจ้าพระองค์นั้นดีคู่นางสีขาะชาชวะสมาปันาทำโดยสีขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของปีสูทั้งหลาย ทังโนพระมจริยาอิมาสากวราสาตุ์อันใดาสาัอันทากิริยายสังวตตัวขอให้พรหมันของเราทั้งหลาย น, านั้นจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งของลกดังสินนี้คือ ยะถาวริวหาปุรัปริปุเรนดีสากการังวงนาำดีเต็มยื่ออย่างสามูสาคอให้บริบูญได้ฉันใดเมวะเมวะอิจูตินังเปตานังอุปากาติ ทททานนี่นอลแล้วในโลกนี้นยอ ม, มเปเบ็ดประโยชน์แก่ผู้ที่ลากโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิฐาผ<า>ุที่ท่านปรารถนานแล้วตั้ง<า> ใ, จใจแล้วทิ่บ่ <c oughs> าเมว่าสุสังชาจู สำเร็ จ, รจโดยชะปรานสาเปปุรเรนดูสังกปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่ดานโทปนารโยธ า, าเหมือนพระาจนนนาน์ในวันเพ็ญมานิโชติราโซยธ า, าเหมือนแก้วมานิอันสว่างสวัยควรยินดี สาปิเตียววิวัจันตุความยันใดทัำพวงจงบำราดไปัาพารคโวินสศตัโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเดภวัดวันตายรโย อ, อันตรารยามีแก่ท่านทิฏีิขายุโกภวา ด้านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาฒนาสิริชนิจังพุทธาปชายิโนโรธรรมาวันตทีอายุวันโนสุขังพาลัง อ, อนสีปะการคืออายุวันนสุขาภลายอมจเจรเิญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับ มีปกติอ่อนน้อนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจอายุโทรประโททิโรผู้มีปัญญามให้อายุให้กำลังวันณโทปฏิภาณโท ให้ปฏิภานสุขาสาธตตาเมาวีผููมีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิั จ, จตียอมได้ประสบสุขอายุทัทถวาพระรังวันนางสุขัญจะปฏิภาณโทอายุพระรัวันนาสุขาและปฏิภาณ ที่กายุยาสวโหติยธายาทูปปัสสติที่จะไปในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีโยศในที่นั้นๆดังนี้ สัพโรควินิมุโตท่านจงเป็นผู้หนจะโรคทั้งปวงตาพาสันตาปวัสิโดจงขังเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสาภเวรัติกันโตเจริญปงเสื่อมเว้นทั้งปวงนิพุตโต้จะดวงปวาจง ความดับไปซึ่งทุกทั้งปวงแห่งท่านทั้งลายเจนาจาสีเลนาจา่โจจาโดยศัจดิ์โดยศีลขันติเมตตาพระเรนาจา้าโดยพลังของขันติและเมตตาเตสัมพุธานังอนุรคันตุเต พระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเล้าสาท่านทุกเมืออาโรคเยนณะจาสุเคนะจาจาโหตุเตโดยสภาวะหาโรคมีได้ก็ดีโดยความสุขก็ดี ยังมีแก่ท่านทุกเมือเอื้อสุอัธรตโทสุขิโตท่านทายจงโอ้เฮียไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข สาหาสาพัพเพหียติเปียพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายสะอาดทารทาสุขิตาถ้านหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุข เว ร, รุญหาพุทธศาสนจะเดินในพระพุทธศาสนาอาโลกสุขิตาโอเฮียไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาหาสาเพยยทิพีป้องกับโดยยาทังลาย อาลาทสุขิตาท่านชายและหญิงย่งยอมเป็นผู้มีประโยชน์ได้แล้วแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศ า, าสเนาจะเริ่นในพระพุทธศาสน า, าโลคาสุขิตาโหธาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข สาหาสาเปยาทิเียป้องกับโดยยาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงส า, าสิให้ที่บุญเถินอั ก, กตุยประสัญ น, นังอักขงังธัรมังวิชาณตาง คนรู้จักรมอันเลิเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศอาเคพุเทประสันานารังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศท้าขีนายอนุตรเรซึ่งเป็นยาบุคคลอันยอดเยี่ยม อาเกทามเเมพสันนานังเริ h, zet, siege, as, as, ่มใส่แล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปาสเมสุเเคซึ่งเป็นธรรมปราชจาราพระสงฆ์ระงับเป็นสุอาเกสังเเเปพสันนานังเริ่มใส่แล้วในพระสท์ผู้เลิศ ยะเขตเทอนุตเรซึ่งเป็นเอานาบุญยาย่อเยี่ยมอากาศสมิงดานังทัตตังทวายทานในท่านผู้เลิศอากาศบุญยังบวัติที่บุญดีเลิศย่อมเจริญอากายุจะวันน้อาอายุวันนาที่เลิศ ยาโซกิติสุขังบาลังและยศเกติขุนสุขังบาลาที่เลิศย่อมเจริญอาคัสสาธาธเมธาวีผู้มีปัญญาย่อมให้แก่ท่านผู้เลิศอาคาธรรมสมาหิโตและเป็นผู้ตัางมั่นอยู่ในธรรมันเลิศ เทวภูตโตมนุสวาอายากไปเกิดเป็นเทวาดาคือเป็นมนุษย์ก็ตามอาคับปาโตปะโมทตีติีย่อมถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู่ดังอีแลกะเลททันทิสปัญญาวัน ย, ว, นยวิตามัชรา ปัญญารอบรู้ละปราชจาความจรีงอาเลนะทินังอาริเยสุชุพเทสุทาทิสุย่อมถวายทานตามการสมัยในพระเพียเจ้าทั้งหลายผู้บาพมชตรงคงที่ วิปสัสนะมณาณตาสวิกุราโหติทักขีนาใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วรกสินาทานย่อมมีผลอันไปบุญเยตธ า, าอนุโมทันติวิยาวัจังการโรติว า, าจนทั้งหลายเหล่าได้ร่วมอนุโมทานา หรือช่วยกระทำการขวัญขวายในฐานนี้นาเดนาทัาขีนาโอนาดัาสินาฐานานมีได้ปลอมไปโดยเหตุแห่งอนุโมทานานั่นเลยเดยปีปุญญาสภ า, าคิโนแม่ชนผู้ล่วมอนุโมทานาก็มีส่วนแห่งบุญด้วย อาสมาทะเทหปฏิวานาจิโตโยธาจิตนังมหาปาราปรภเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากปุญญานิปพัลโลกาสมิงปฏิทาหนทิปานินันติบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พื้นของท่านทั้งหลาย ในการข้างหน้าได้และอาทิสิเมอาการสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตนางเมื่อคนได้มาเริ่ดถึงคุณอุปการะอันนใดทำแล้วแก่จนในการก่อนว่าผู้นี้ได้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทํากิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาต เป็นมิตรของเราดังนี้ท้าขีนังท้าชาภูเภกตดมนุสราพ่อควรให้เท้าสีนานุปาทานเมื่อผู้ตีลาโลกนี้ไปแล้วนะคุณนางวาโสโควายาวญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดี เศร้าโสกก็ดีหรือการรํำไรรํำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะาําเปตานามัตายาเพราะการลองให้เป็นต้นนันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้ว ั ด, ด, ดิยตาตะโยยาติทํางหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้น <c oughs> อาญจะโคทชขินาทินาก็ท้าสีนานุปาทานนี้แหละ อันท่านได้ให้แล้วสั่งคมหิสุปฏิทิจปาฏิสถ า, านไว้ดีแล้วในสมโภชตังหิตายสาธานาโสหุปกปาฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อคูณที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะ โสญาติธัรมโอชยางนิทัสสิโตญาติธรัมนั้นให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วผูชาจากตาอุลาลาอุชาอย่างยิ่ง ได้ทแล้วแกย่ยาทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นท่านจะพิขุนำอนุปทินงกำลังแห่งพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย เอหิบุญยางไปสู่ทางอนุปการเดียบุญไม่น้อยได้วขวัญไขแล้วทางนี้สภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสภาวธรรมานุปาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระธรรมทั้งปวง <c oughs> ยญาปสังคานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนัธรรมรัตนังสังครัตนังตินังรัตนานางอนุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพรัตนทั้งสามคือพุทธรัตนธรรมรัตนัสังครัตน์ กัตุราสิติสานสัตถามขันดานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันปีอากัตยานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนา โดยอนุภาพแห่งสาวกคาชินเจ้าสาเปเตโรคาสาเปเตพยาลูกทั้งหลายของท่านภั ย, ยทั้งหลายของท่านสาเปเตอันตรายาสาเปเตวัจจะวาอันตรายทั้งหลายของท่าน อุปาทาวทั้งหลายของท่านสาเพเท ต, เตุนิมิตาสาเพเทอวะมังคราวินาสันตุทั้งหลายของท่านสิ่ง<า>เป็นมงคลทั้งหลายของท่านจงที่นาาไปอายุวัฏทโกธนวัฏทโกความจเจริญอายุความจเจริญทรัพย์ ริวัตถโกยสวัตถโกความเจริญเสรีความเจริญยศภราวัตถโกวันวัตถโกความเจริญกำลังความเจริญวันนา สุขาวัตถโกหตุสาปทาความเจริญสุขจงมีแก่ในการทั้งปวงทุกขโรขะปยาเวร า, ราและเวนทั้งหลายโศกสัตรูจุปัทวะความโศกศัตรูและอุปาทวะทั้งปวงเนกาหันตารายาพิวินาสันดูจะเทชะสา อันตรายทั้งหลายนิปการจงพินาศไปด้วยดชีชัชยสิทธิทนังลาภความชนะความสำเร็จสัพเพลา สวดิพาขยังสุขังปรางความสวัส ด, ดีความมีโชคความสุขและกำลงังสิริอายุจาวนโนจัปโขคังสิริวันนาโขขัสาบวุทธิจายสวะความจริละความเป็นผู้มีโยสัตวสะจอายุจา ได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพาวันตุเตและความสําเร็จจิตในความเป็นอยู่ย่มมีแก่ท่านในการทุกเมือ่อคืนพวตุสัพมังครยขอัมงงจมีแก่ท่านนรคันดุสัปเดวตาขอเรา กว่าดาทั้งบนโยงราษาทานสาบาพุทธานุภาเวนาโดยหานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาบาธรรมานุภาเวนาโดยหานุภาพแห่งพระธรรมสาบาสังฆานุภาเวนา โดยฮานุภาแห่งพระสงค์สาธาสุธีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจง ม, มีแก่ท่านทุกเมือ่อคือ